บทที่ 1 การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือยากเคย ก็ไม่พบว่าท่านระบุตายตัวว่าการปฏิบัติ มันขึ้นกลับเห็นว่ากับเงื่อนไขที่แตกเช่นการให้วัตถุทานให้ ในคือการให้ถ้าพอใจก็ให้ได้แล้วที่ตนจะไม่เดือดร้อนคือเช่นตอนนี้จะนํา ก็กลัวจะต้องแปลงสันชาติไปเกิดในภพแมลงเมาการให้อภัยทาน การให้ๆการเช่นถ้าจะฆ่าจะตีคนอื่นก็ต้องวางๆ บางคนต้องไปหาซื้อเบ็ดราคาแพงๆ เท่ากับก็สบายกว่าคนดื่มเล่าไม่เสียเงินไม่เสียเวลาไม่เสียสุขภาพไม่ดื่มเหล้าเมาๆพอมาถึงการภาวนาหรือการปฏิบัติในเช่นกันเช่น เอาจิตประคองรู้เข้ากับอารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องไม่เห็นจะต้องไปอย่างสบาย เป็นการไม่ทำอะไรเลยนอกจากรู้ทันอย่างเดี๋ยวเท่านั้นแบบนี้มันจะยากได้อย่างไรรู้ทันอย่างเดียวเท่านั้นแบบนี้มันจะยากได้อย่างไร จะบ่นว่ายากลําบากเหลือเกินเดี๋ยวลูกก็ร้องกวนอดหลับอดนอนเวลาเด็ก ตอนลูกยังเล็กก็ห่วงสารพัดกะว่ามันโตร้ายเหลือเกินพอลูกเรียนจบพ่อแม่ ก็เตรียมตัวรับภาระเรื่องหลานต่อไปอีกเลี้ยงลูกแต่ละคนลําบากแทบตาย กิเลสเราจึงเห็นผิดเป็นชอบเห็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นของสบายเอานะครับเราจึงเห็นผิด 20 กรกฎาคม 2542